มีคุณค่ามากน้อยเพียงไรถ้าเปรียบเทียบกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มารวมกันไว้หมดคุณค่าของสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ยังไม่มีคุณค่าเท่ากับคุณค่าของ พระพุทธศาสนาคุณค่าของพระพุทธศาสนานี่อยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงอยู่ที่พระรัตนตรัยนี่เองพระพุทธศาสนานี้จะเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้ก็ต้องมีพระรัตนตรยัยถ้าไม่มีพระรัตนตรยัย ก็จะไม่เป็นพระพุทธศาสนาจะไม่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าคุณค่าของทรัพย์สมบัติต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มารวมกันไว้หมดพระรันตนตรัยนี่แปลว่าอัญญมณีสามเมด็ดโดยกันสามก้อนอัญญมณีก็คือพวก เพชรนินจินดาต่างๆแต่อั ญ, ญมณีของพระราตนตรัยนี้มีคุณค่ามากยิ่งกว่าอั ญ, ญมณีที่มีอยู่ในโลกนี้มารวมกันทั้งหมดเพราะว่าอั ญ, ญมณีที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถซื้อสิ่งที่อั ญ, ญมณีของพระราตนาไตร สามารถซื้อได้อัญญมณีของพระรัตนใจนี้สามารถซื้ออะไรที่อัญญมณีหรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถซื้อได้สิ่งที่อัญมณีคือพระรัตนใจสามารถซื้อได้ก็คือ วิบุติการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในใจพบในสังสารวัตนี้เองนี่คือสิ่งที่พระรัตนตรัยสามารถซื้อให้กับพวกเราได้ทุกคนพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนผู้ที่ติดคุกติดตาราง ไม่มีอิสรภาพติดอยู่ในคุกของไตรภพคือรูปกามภพรูปะภพและอรูปะภพโทษที่เราทำไว้ที่ทำให้เรามาติดอยู่ในไตรภพ ค, คืออะไรก็คือความอยากสามประการด้วยกันคือกามมะตัญหา ความอยากเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัเป็นโทษเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมาติดคุกในกามภพบกันและความอยากข้อที่สองคือภาวะตัณหาความอยากเสพรูปประชาก็จะทำให้เรา มาเกิดในรูปภพกันและความอยากข้อที่สามคือวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีไม่เป็นคือความอยากเสพอรูปฌปา น, นเี่เป็นเหตุที่ทำให้เรามาติดอยู่ในอรูปภพบนะี่สามภพไตภพนี่แปลว่าสามภพ ได้แก่การมาพบพบของผู้ที่เสพกามคือพวกเราทั้งหลายนี่ที่เป็นมนุษย์เทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกพวกนี้เป็นพวกที่ติดการเสพกามติดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจึงต้องมาเกิดในพบที่มีร่างกาย ที่มีตาหูจมูกลินกายหรือเ ก, เกิดเป็นดวงวิญญาณที่มีตาทิ่ยหูทิพย์ไว้เสบรูกทิพย์เสียงทิพย์เป็นต้นนี่คือพบของผู้ที่มีกามตัตนาพวกเราทุกคนนี่ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีกามาตนากัน ถ้าไม่มีการมาตัญหาก็ไปเสพอีกอย่างหนึ่งแทนคือพวกนักบวชพวกนักบวชเขาก็ไปเสพ ร, รูปฌปานหรืออรูปฌปานแทนการเสพกามพวกนักบวชเขาก็จะถือศีลแปดขึ้นไปเป็นผู้ที่ตัดความอยากจะเสพกามออกไปแต่ยังไม่ได้ตัดแบบ ถาวรนตัดด้วยการห้ามด้วยศีลด้วยการถือศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองรอยี่บเจ็ดแล้วก็เปลี่ยนไปหาความสุขจากการเสพกามไปเสพรูปประชานหรืออารูปประชาแนแทนก็ยังติดอยู่ทำให้ยังติดอยู่ในใจพบอยู่ เปลี่ยนจากการเสพการไปเสพรู ป, ปรชานก็ไปเกิดในรูปภพเปลี่ยนจากการเสพรูปประชานไปเสพอารูปชานก็ไปเกิดในอรูปภพยังมีการเกิดอยู่ในตายภพและเมื่อมีการเกิดในตายภพก็จะมีการตาย เกิดขึ้นในไตรภพไม่ว่ายึดจับอยู่ในภ พ, พไหนก็ตามการมาพบก็มีการเกิดการตายรูปภพก็มีการเกิดการตายอารูปภพก็มีการเกิดการตายถ้าไปเกิดในอรูปภพพอตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาเซฟฌานเซฟอรูปฌานใหม่ ถ้าอยู่ในรูปภพพอตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาเสบรูปปัจจานใหม่ถ้าเป็นเทวภพก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเสพกามใหม่มาเสพการมด้วยการทําบุญทําทานนี่นะ้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ พอตายไปก็กลับมาเป็นมนุษย์อีกกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกมาเสพกามกันอีกนี่คือคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดในไตภพที่ดวงวิญญาณหรือดวงจิตของพวกเราทุกดวงติดกันอยู่ไม่สามารถที่จะหลุดออกจากไตภพนี้ไปได้ การที่มาเกิดในตายภพนี้ก็หมายความว่าการที่จะต้องมาเจอการเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าไม่ว่าจะไปอยู่ในภพไหนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่อย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ ถ้ามีร่างกายแล้วก็จะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาเสมอผู้ที่ไม่ต้องการที่จะติดอยู่ในใจพบไม่ต้องการที่จะกลับมาเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั้นจำเป็นจะต้องมีพระรันตนใจ เป็นผู้ซื้ออิสรภาพให้กับผู้ที่ติดอยู่ในไตายพบได้ถ้าไม่มีพระรัตนใจไม่มีอัญญามณีอัญวิเศษสามเม็ดนี้แล้วจะไม่สามารถที่จะซื้ออิสรภาพให้กับจิ ต, ตวิญญาณที่ติดอยู่ในตาพบนี้ได้นี่แหละคือ คุณค่าอันมหาศาลของพระพุทธศาสนาที่มีพระรัตนตรัยที่มีคุณค่าที่สามารถที่จะซื้ออิจิภอิสระภาพให้กับจิตวิญญาณที่ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในตาพบนี้ได้อันยมณีที่มีอยู่ในโลกนี้ที่หากัน ได้ในโลกนี้เอามารวมกันหมดนี้ก็ยังไม่สามารถเสืออิสรภาพให้กับจิตวิญญาณที่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในใต้ภพนี้ได้เลยนี่แหละคือคุณค่าอันมหาศาลของพระพุทธศาสนาของพระรัตนตรัยแต่ปัญหาของพวกเรานั้น คือพวกเรามักจะขาดปัญญาไม่รู้คุณค่าของพระรัตนตรัยถึงแม้มาเกิดอยู่ในบวรของพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีไม่รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนากันเป็นเหมือนไก่ที่ได้ปล่อยไก่นี้เขาจะทำมาหากินหาความสุขจากการขุด คุยเขียหาตัวหนอนตัวไส้เดือนมารับประทานนพอเวลาไปคุยเขียเจอเพชรนินจินดาเขา้าเพชรพลอยเขา้าแทนที่จะดีใจแทนที่จะเก็บเอาไว้เอาไปขายเพื่อจะได้ไปซื้ออาหารที่มีรสชาติดีกว่าตัวหนอนตัวไส้เดือนและสามารถซื้อไป ยึดกินได้ตลอดชีวิตโดยที่ไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับการคุยเขียหาตัวไส้ตัวไส้เดือนตัวหนอนอีกต่อไปแต่กับไม่รู้คุณค่าของเพชรนินจินดาเพชรพลอยที่ได้ไปขุดคุ้ยเจอเข้านะก็เขียทิง้งเคหยทิ้งไปไม่รู้คุณค่าเนี่ยเขเรียกว่าไก่ได้พลอยนะ พวกเราผู้ที่มาเกิดในบวรของพระพุทธศาสนามีบิดามารดา ม, มีครอบครัวที่เป็นพุทธนับถือพุทธศาสนาแต่ไม่มีเวลาหรือไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้คุณค่าของพระรัตนตรัย ของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลอย่างไรบ้างก็จะไม่สนใจกับการที่จะเอาพระรัตนตรัยนี้มาซื้ออิสรภาพให้กับตนเองออกับไปหาตัวหนอนตัวไส้เดือนออตัวหนอนตัวไส้เดือนของพวกเรานี้คืออะไร ก็คือลาบยศสรรเสริญและความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เองที่พวกเรากลับให้ความสำคัญมากยิ่งกว่าการเข้าหาพระรัตนนาฏยเจอพระรัตนนาฏยก็เขียทิ้งไปเขียทิ้งไปจะเอาเวลาไปหาลาบยศสรรเสริญ หารูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะกันก็เหมือนกับไก่ที่ได้ปลอยเวลาได้พลอยก็เขี่ยท้งไปแล้วก็ขุดคุ้ยต่อไปคุดคุ้ยหาตัวหนอนตัวไส้เดือนมารับประทานเพราะเวลาได้รับประทานตัวหนอนตัวไส้เดือนนี้มันอร่อยอร่อยมันทำให้อิ่มปากอิ่มท้องถึงแม้ว่าจะเป็นความอิ่มปากอิ่มท้องชั่วคราวก็ตาม แต่ก็ยังดีกับไม่มีอะไรรับประทานเพราะเพชรที่เพชรปล่อยที่ขุดพบนี้ยังรับประทานไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าจะต้องเอาเพชรปล่อยนี้ไปแลกเปลี่ยนเอาไปขายแล้วก็เอาไปซื้อตัวหนอนตัวไส้เดือนมากินได้ตลอดชีวิต ไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้ากับการขุดคุยหาตัวนอนตัวไสเดือนอยู่เรื่อยๆนี่เป็นเพราะไม่ได้มิรู้ว่าความคุณค่าของเพ้นนินจินดาที่ไปขุดคุยที่ไปพบเจอนั่นเองพวกเราก็ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านได้มาศึกษาได้มาฟังกันในวันนี้ ท่านก็จะได้เรียนรู้คุณค่าอันมหาศาลของพระพุทธศาสนาของพระรัตนตรัยว่ามีคุณค่ามากยิ่งกว่าลาบยศสารเสริญยิ่งกว่าความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆนี่คือคนส่วนใหญ่ที่เป็นพุทธศาสนิกชนนี้ ยังไม่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยถ้าเห็นต้องเป็นนักบวชกันไปหมดแล้วเพราะเป็นนักบวชนี่แหละเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยเป็นผู้ที่ยุติการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลประภัต่างๆแล้วมาหาความสุขจากพระรัตนตรัย ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้สัมผสัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลถภะผู้ใดได้สัมผสัสกับรถแห่งธรรมแล้ว จะไม่มีวันกลับไปหารถของราบยศสรรเสริญรดของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปเพราะจะได้รับอิสรภาพจากการเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่ได้รถแห่งธรรมแล้วไม่ต้องกลับมาหารดของราบยศสรรเสริญรดของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ เมื่อไม่หาลาบยศสารเสริญไม่หารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องมีร่างกายการที่เรามาเกิดมามีร่างกายกันก็เพราะว่าเรายังมีความอยากหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะกันนั่นเอง ถึงพาให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆตายไปกี่ครั้งก็จะกลับมาอีกไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราไม่ได้มากําจัดเหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดกันนั่นเองเหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดในตายพบในกามะพบก็คือกามาตัญหาเราไม่ได้จัดการกับตัวนี้ถ้าไม่ได้กําจัดมัน มันก็จะไม่มีวันหยุดในการาแสดงฤทธิ์ของมันคือฉุดร่างให้จิตของพวกเรากลับมาเกิดกันกลับมามีร่างกายกันนั่นเองมันเป็นเหมือนเชื้อโรคถ้ามันไม่ได้รับการกำจัดจากร่างกายของเรามันก็จะส่งผลอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อย คนที่ติด เ, เชื้อโรคเอดนีก็ต้องก็ต้องเป็นโรคเอดสไปเรื่อยๆติดเอชไอวีเข้ามาถ้าไม่มีการกำจัดเชื้อเอชไอวีให้ออกจากร่างกายไปไดเอชไอวี HIV มันก็จะออกลิ์ออกเดชของมันไปเรื่อยๆสมัยนี้ยังไม่มีการค้นพบยาที่จะกำจัดเอชไอวีได้ ทำได้อย่างมากก็คือต้านมันไม่ให้มันออกฤทธิ์เดชเพียงแต่คอยเบรมันไว้คอยสกัดมันไว้แต่ถ้าขาดยาเมื่อไหร่การต้านฤทธิ์ของไวรัสเ i ชวก็จะต้านไม่ได้ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและตายไปนี่ก็เหมือนกัน ใ, ใจจิตใจของพวกเรานี้มีเชื้อ HIV สามเชื้อสามชนิดด้วยกันการมาตันหาเป็น hiv ชนิดหนึ่งภาวะตันหาเป็น hiv อีกชนิดหนึ่งวิภาวะตันหาเป็นเชื้อเ i v อีอีกชนิดหนึ่งเนี่ยพวกเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ที่มาเป็นมนุษย์เนี่ย มีเชื้อสามตัวนี่สามตัวใดตัวหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อเอชวีตัวแรกคือการมักตันหาส่วนใหญ่จะเสพกามกันคนที่เสพกามนี่มากกว่าคนที่ไม่เสพกามคนที่เป็นนัก บ, บวชที่ไปเสเบรูปปชาหรือเสเปรูปปชา น, นี้มีน้อยกว่าพวกที่มาเสพกามกัน นอกจากมนุษย์แล้วยังมีเดรัจฉานทั้งหมดเนี่ยสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งมีจำนวนมากกว่ามนุษย์ไม่รู้กี่กี่แสนเท่ากี่ล้านเท่าก็เสพกามกันทุกตัวสัตว์เดรัจฉานทุกตัวนี้ก็มีเชื้อเอชอวคือกามตันหาอยู่กันทุกตัวต่างกันตรงที่การเสพกามของ พวกเดรัจฉานกับพวกมนุษย์นี่ต่างกันพวกมนุษย์นี้เสพกามด้วยการไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นส่วนพวกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนี้เขาจะเสพกามด้วยการไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจึงทาให้เขาเวลาตายไปไปเกิดเป็นเดรัจฉานกันไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์กัน นี่คือเชื้อที่ต้องการกำจัดต้องการทำลายเราต้องหาเหยือ่อหายามากำจัดกาจัดเชื้อที่พาให้เรามาเกิดในไตพบ ก, กันหายามากำจัดกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหากันแล้วที่มียาแหล่งที่มียานี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ ที่มียาที่เราจะสามารถเอามาค่าเชื้อที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้กันเราจึางต้องเข้าหาพระรัตนาตราัยถึงแม้จะเกิดในศาสนาพุทธแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ ไม่ต่างกันคนที่ไม่นับถือศาสนาพุทธกับถ้าได้ศึกษาพระธรรมคาสั่งคาสอนกับพระพุทธเจ้ากับกลายเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธกับเป็นคนที่เข้าหาศาสนาพุทธเนี่ยนราที่นี่มีชาวต่างชาติอยู่ต่างประเทศกันหลายคนด้วยกันไม่ได้เกิดในครอบครัวของพระพุทธศาสนา แต่มีความสนใจมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาได้ไปนค้นพบหนังสือธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเขา้าพอได้ศึกษาจึงได้รู้คุณค่าของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าสามารถที่จะช่วยกาจัดความทุกข์ต่างๆของเขาให้หมดไปจากใจของเขาได้สามารถช่วย ซื้ออิสระภาพให้แก่จิตใจของเขาได้ให้จิตใจของเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบเนี่ยถึงแม้เขาไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขา ครอบกลัวเขามีกันก็ตามแต่ถ้าเขามีความขวนขวายมีความฝ่ายรู้ฝ่ศึกษาไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพอได้พบแล้วเขาก็จะเกิดมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยากจะสละการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ เพราะเขาเป็นไก่ที่ฉลาดขึ้นแล้วรู้ว่าการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เป็นความสุขที่จะพาให้เขาต้องกลับมาเกิดเป็นไก่อยู่เรื่อยๆกลับมาหาราบยศสรรเสริญสุขกันอยู่เรื่อยๆเขาก็เลยยินดีที่จะสละการหาความสุข ทางการมัดณาไปการเสพการไปอุตสาห์เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อมาอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่มีพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์คอยแจกยาต้านเชื้อเอ v วีของการเวียนว่ายตายเกิดจ่ายยาจ่ายธรรมโอษฐ์ที่จะคอย ป้านหรือคอยกําจัดเชื้อที่พาให้จิตวิญญาณของเขาให้ได้ทําลายเชื้อต่างๆที่มีในจิตของเขาให้หมดไปเพื่อที่จะท้ายทำให้เขาได้รับอิสรภาพออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราอาจจะไม่รู้ว่าคําว่าอิสระภาพนี้หมายถึงเป็นอย่างไร ก็ลองเปรียบเทียบแบบง่ายๆเวลาติดคุกกับเวลาไม่ติดคุกนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันติดคุกก็ต้องอยู่ในกำแพงล้อมรอบสีด้านด้วยกันออกกำแพงไปไม่ได้ก็จะไปไหนมาไหนจะทำอะไรตามที่เคยอยากจะทำก็ทำไม่ได้ จะไปหาเพื่อนฝูงจะไปหายาติพี่น้องจะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปไม่ได้หมดถูกขังอยู่ในคุกอยู่ในกรงถึงเวลาก็ต้องเข้ากรงวันหนึ่งเขาก็ปล่อยออกมานอกกรงให้มาออกกำลังกลงกำลังกายหรือให้มาทาทางานบางอย่างแล้ว เสร็จแล้วพอมืดค่ำก็ต้องขับเข้าไปอยู่ในกรงต่อไปเป็นยังไงการอยู่ในคุกตารางกับการออกจากคุกตารางเป็นอย่างไรนี่แหละคือความหมายของอิสร ะ, ะภาพการที่ย้องติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายมันดีไหมเวลาร่างกายมันแกน่นี่ดีหรือเปล่าเวลาที่มันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ มีโรคภัย ต, ต่างๆมาคอยเบียดเบียนตอนนี้มีโรคหวัดมาอมาบุกแล้วยังมาไม่ถึงเพียงแต่ได้ข่าวนี้ก็ใจก็สั่นกันไะวหวาดกลัวกันไปทั้งไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะเพียงแต่ได้ยินข่าวเท่านั้นนะได้ยินข่าวว่าเชื้อโรคหวัดที่ระบาดอยู่ในจีนนี้เริ่มกระจายไปทั่วโลกแล้ว เพียได้ยินข่าวนี้พอจามหน่อยไอหน่อยนี้โอยหวาดเสียวขึ้นมาแล้ว้ติดหรื อ, อยังเป็นหรื อ, อยังขึ้นมาดีไหมที่จะต้องมาเจอโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้อยู่ได้เรื่อยไม่ใช่เฉพาะโรคชนิดนี้โรคเอดมันก็เผยแพร่ได้ใช่ไมถ้ายังเสพกามอยู่ก็ต้องระวังแล้วคนที่เราไปร่วมหลับนวนด้วยเขามีเชื้อเอชอวีหรือไม่ บางคนนี่อาจจะไม่เสพกามแล้วกกลัวติดเชื้อเอชไอวียอมอยู่เป็นโสดดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่มีเชื้อเอชอวีมาสร้างโาครคภัยไข้เจ็บให้กับร่างกายดีไหมการที่จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ดีไหมการที่ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บไม่ตายดีไหมอย่างไหนดีกว่ากันอยู่แบบไม่ต้องมา ทุกไม่ต้องมากังวลกับความแก่ความเจ็บความตายกับการอยู่แบบที่จะต้องมาทุกขมากังวลกับการแก่การเจ็บการตายนี่อย่างไหนดีกว่ากันนั่นแหละต้องคิดถึงจะได้เห็นคุณค่าของอิสรภาพของการที่ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันถ้าไม่คิดมันก็จะไม่รู้คุณค่า หรือโทษของการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะกิเลสตัณหาตัวที่หลอกให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันจะหลอกว่าเกิดแล้วมาเกิดแล้วมีความสุขกันเห็นไหพอใครเกิดนี่ต้องฉลองวันเกิดกันเะแฮปปี้เบิร์ d เดย์ร้องเพลงหัวเราะกิกก๊ากันขอแสดงความยินดีกับการมาเกิดของคุณนี่มันเป็นการแสดงความยินดีของคนโง่เท่านั้นแะ คนฉลาดไม่มีใครเขามาแสดงความยินดีกับการเกิดกันหรอมีแต่แสดงความยินดีกับการไม่เกิดกันคนฉลาดนี้เขาจะแสดงความยินดีกับผู้ที่ไม่กลับมาเกิด เ, เวลาได้ข่าวว่าใครไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วโอ้โหพวกนักป่าทั้งหลายนี่อนุมโมซาตาอนุมโมทนาสาธุกันลั่นด้านป่าลั่นเขาแต่พวกที่ ก็นี่เป็นพวกที่อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองพอมีใครมาเกิดนี่โอ้ยอนุธนาสาธุกันใหญ่สแสดงความยินดีกับการเกิดของลูกของคนุณขอให้ลูกของคนมีแต่ความสุขความเจริญมันก็มีแต่ความสุขความเจริญทางปากเท่านั้นความจริงมันไม่สุขมันไม่เจริญอมันมีแต่ความทุกข์ตามมาฮ เกิดมาแล้วก็ทุกข์กับการดิน้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกข์กับการต่อสู้กับภัยต่างๆโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยต้องต่อสู้กับมันตั้งแต่เด็กเเดี๋ยวนี้ถึงต้องมีหมอเด็กกันสมัยก่อนเขาเอาหมอรักษาทุกโรคเดี๋ยวนี้มีหมอเยอะเขาก็เลยสามารถแบ่งหมอเป็นเฉพาะทางได้หมอคนนี้ไปดูแลความทุกข์ โครคภัยไข้เจ็บของเด็กอะหมอคนนี้ไปดูโครคภัยไข้เจ็บทางตาทางหูทางจมูกอะทางผิวหนังทางอะไรต่างๆแต่มันก็เป็นเรื่องของการมาเกิดทางนั้นอะ่ะที่ทำให้มีหมอชนิดต่างๆเกิดขึ้นมามีหมอไว้ทำไมก็มีหมอเพื่อมารักษาโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี่เองอถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีหมอกัน มีไปทําไมถ้าไม่มีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายมันก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาพอมีโลกมีร่างกายมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมามีความทุกข์มีความวิตกกังวลตามมาพอลูกไม่สบายขึ้นมาหน่อยแล้วเป็นยังไงสุขเจริญไหมมีความสุขความเจริญไหมนี่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจแล้วสิ แต่รักษาหายไม่หายติดเชื้อโรคอะไรเป็นเชื้อหวัดหรือเปล่าจริงตอนนี้ใครเป็นหวัดนี่จะวุ่นวายใจกันขึ้นมาทันทีว่าเมื่อก่อนเชื้อหวัดมันรู้ว่าเป็นแล้วหายแต่เชื้อหวัดชนิดใหม่นี้เป็นแล้วบางทีไม่ไม่หายถ้าหายก็แบบร่างกายหายไปกับมันอนะ <c oughs> เลยไม่มีใครอยากจะเป็นกัน นี่แหละคือคนที่ไม่มีการศึกษาไม่เรียนรู้ความจริงของชีวิตนี่จะหลงไหลกับการเกิดกันใจเห็นว่ามาเกิดนี้ดีว่าเมื่อมาเกิดแล้วจะได้มาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกันก็เลยแสดงความยินดีให้กันฉลองวันเกิดกันอัปปีเบิร์ตเดย์ขอให้มีความสุขมากๆ ขอให้มีความเจริญมากมากแต่ความจริงมันมีอะไรรออยู่ข้างหน้ายิ่งเบิร์ d เดย์มากขึ้นความแก่มันก็ยิ่งเข้ามาใกล้ใหญ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เข้ามาใกล้ใหญ่ความตายมันก็เข้ามาใกล้ใหญ่แล้วยังไปฉลองแฮปปี้เบิร์ a เดย์กันอยู่เหมือนต้องฉลองแฮปปี้โนเบิร์ a เดย์ฉลองการไม่มีวันเกิดสิ ไปจะรองกันมีวันเกิดทําไมว่ามีวันเกิดแล้วมันก็ต้องมีวันแก่มีวันเจ็บมีวันตายกันถ้าไปมีวันไม่เกิดโอ้สบายแล้วสิไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายกันผู้ที่มีวันไม่เกิดคือใครก็คือพระรัตนตรัยของเหล่านี้เองพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเกิดแล้วพระอรหันตสาวกทั้งหลายไม่มีวันเกิดแล้ว นี่แหละคือสิ่งที่พระรัตนาตรัยจะมอบให้กับเราคือการไม่มาเกิดการไม่มีวันเกิดเพราะการไม่มีวันเกิดจะทําให้มีไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายกันนั่นเองและการที่จะไม่มีวันเกิดได้ก็ต้องไม่มีความอยากในการเจ็รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ผู้ที่ไม่อยากจะกลับมาเกิด ต้องตัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไปเพราะถ้าไม่เสพกามตัณหามันก็ต้องเปลี่ยนไปเสพภาวะตัณหาคือรูปประชานแทนถ้าไม่เสพรูปปรจจานมันก็เปลี่ยนไปเสพป ร, รูปประชานแทนมันยังติดอยู่ในไตพบอยู่ถ้ายังเสพทั้งสามนี้อยู่ถ้าจะไม่เสพทั้งสามนี้ก็ Designer. Designer. ต้องอาศัยยาของ ภาะตนาใจพระพุทธเจ้าทรงค้นพบยาที่จะทําให้ไม่ต้องเสภกามตัิหาไม่ต้องเสภภวะตันหาไม่ต้องเสภวิภาวะตันห า, ส, นหาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเสพกามรติฐาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาคือไม่ต้องเสภกามไม่ต้องเสบรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องเสบรูปประชาน ไม่ต้องเสพอารูปประชานด้วยการเสพลดแห่งธรรมที่ชนะรดทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเสพกันเราต้องเปลี่ยนจากการเสพการมารตันหาไปสู่การเสพไปเสพลดแห่งธรรมไม่เสพกามไปเสพลดแห่งธรรม เบื้องต้นลดแถ่งทรรมที่เราจะเปลี่ยนจากกรรมมาก็มาเสพรดของความสงบของรูปปัจจานก่อนต้องพึ่งรูปปัจจานเป็นขั้นบันไดไปก่อนพอเรามีรูปปัจจานมีความสุขจากรูปปัจจานเราก็ไม่ต้องเสพกรรมอีกต่อไปแต่การเสพรูปปัจจานยังทําให้เราติดอยู่ในรูปภพอยู่หรือเสพอรูปปัจจาน ก็ยังทำให้เราติดอยู่ในอรูประพบอยู่พอถึงขั้นนั้นแล้วเราต้องเลิกเสพรูปฌานต้องเสพเลิกเสพอรูปฌานด้วยการใช้สติใช้ปัญญาสอนใจว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการเสพกรรมแต่มันก็ยังเป็นความสุขของตายพบอยู่เป็นความสุขที่จะดึงให้กลับมาเกิด ในตายพบอีกต่อไปฉั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วก็ต้องเลิกเสพรูปประชานเลิกเสพอารูปประชานอยู่แบบปกติไม่ต้องเข้าฌานอยู่กับสติปัญญาไว้คอยแก้ความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเวลาเกิดความอยากจะเสพรูปประชานหรืออารูปประชาน ก็ใช้สติปัญญามากำจัดมันด้วยการพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์เห็นทุกข์ในรูปประชานเห็นทุกข์ในอรูปประชานต่อไปเมื่อเห็นเป็นทุกข์แล้วก็จะเลิอกอยากเสพเลิกความอยากที่จะเสพรูปประจานอรูปประชานพอความอยากทั้งสามถูกกำจัดไปหมดไปจากใจแล้วทีนี้ลถแห่งธรรมที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นมา ที่เรียกว่านิพพานังปละมังสุขขังก็จะเกิดตามมาต่อไปทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดในไต้ภพอีกต่อไปพอเมื่อได้นิพพานังปละมังสุขขังแล้วได้บระมัสุขของพระนิพพานแล้วจิตก็ไม่ต้องกลับมาหาความสุขจากกามาพบไม่ต้องมาหาความสุขจากรูปภพ ไม่ต้องมาหาความสุขจากอารมุปภพอีกต่อไปนี่คือพระรัตนตรัยที่จะให้ยาที่จะมาทำลายความอยากทั้งสามคือกามตัณหาความอยากที่ทำให้เรามาติดในกามภพกันแล้วก็มาทำลายภวะตัณหาความอยากที่จะพาให้เรามาติดรูปภพกัน และทำลายวิภาวะตัณหาความยาที่จะทําให้เราไปติดอรูปภพกันต้องอาศัยยาของพระรัตนตรัยยานี้คือเรียกว่าธรรมโอสถเนี่ยเป็นยาเหมือนเหมือนยาที่เรารับประทานเพื่อต้านหรือทําลายเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรา พอเชื่อเลือกต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราหมดไปแล้วร่างกายเราจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกสบายแข็งแรงนั่นแหละจิตใจก็เหมือนกับร่างกายพอปราศจากเชื้อโรคของตพบของการเว็นว่าตายเกิดแล้วใจของเราก็จะสบายเป็นบรมบรีศักขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมา ที่ผ่านก็คือใจที่หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บถ้าเปรียบเทียบส่วนใจของปุตุชนอย่างพวกเราเนีเรียกว่าใจของคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนร่างกายของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยกับร่างกายของคนที่หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วมีความต่างกันไหมคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังต้องนอนอยู่บนเตียงอยู่ในโรงพยาบาลมีสายยงสายยางอะไร เชื่อมกติดกับร่างกายมีสายน้ําเกลือมีสายอะไรต่างๆมาคอยประคับประคองรักษาร่างกายแต่คนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเป็นอย่างไรสบายไหมไม่ต้องอยู่โรงพยาบา ล, ล้ะจะทำอะไรก็ได้ไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นไม่รู้สึกปวดตรงนี้มีความสุขสดชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส เห็นอะไรก็สวยไปหมดหน่ารักไปหมดหน่าดูไปหมดนั่นแหละคืออาการของใจที่หลุดพ้นจากาความทุกข์ต่างๆเป็นใจที่มีแต่ความสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์31วันต่อหนึ่งเดือนอสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ของจิตใจที่ได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจให้หายไปหมดสิ้นแล้วจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับร่างกายที่ได้รักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วสามารถออกไปทำอะไรได้อย่างเต็มที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากไปกินไปดืม่มไปทำอะไรสามารถทำได้อย่างเต็มที่นี่แหละคืออิสรภาพ ของจิตใจที่พระรัตนตรัยจะซื้อให้กับพวกเราได้แต่ไม่อย่างอื่นซื้อไม่ได้รับสมบัติเข้าของเงินทองต่อให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ซื้อไม่ได้ซื้อวิมุตติไม่ได้ซื้ออิสรภาพซื้อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ กองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเดี๋ยวก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ต้องเจอโครคภัยไข้เจ็บเห็แม้เศรษฐีที่ตายไปเป็นเจ้าของบริษัทแอปเปนี่เป็นยังไงไปเจอเชื้อตับเขา้าเชื้อเชื้อโรคตับเท่านั้นเองก็สู้ไม่ไหวแล้วน สมบัติมีเงินเท่าไหร่พยายามใช้ซื้อการรักษาโรค ก, ก็ซื้อไม่ได้มีเงินเท่าไหร่ไปซื้อตับซื้อไตมาเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้หรือเปลี่ยนได้ก็อยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องตายไปตายไปแล้วเดี๋ยวก็ไม่ใช่จะจบตรงนั้นนะตายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่อีก กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์กันใหม่แล้วก็กลับมาเข้าโรงพยาบาลกันใหม่นี่นี่แหละนี่คือสิ่งลาบยศสารเสริญสุขไม่สามารถซื้อให้ได้คือการหลุดออกจากการกลับมาเกิดนั่นคือไม่ซื้อไม่สามารถซื้อวันไม่เกิดไม่ได้ไม่สามารถซื้อวันไม่เกิด ไ, ได้ไาาไดไดยังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อย แต่ถ้าได้พระรัตนตยมาจะได้มีกําลังซื้อวิมุติซื้ออิสรภาพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เนี่ยคนฉลาดจึงไม่ไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันไม่หาราบยกสรรเสริญสุขกันเพราะรู้ว่ามันไม่ได้ซื้ออิสรภาพไม่ได้ซื้อวิมุติการหลุดพ้นแต่เป็นการซื้อ ซื้อตายพบซื้อการเวียนว่ายตายเกิดนะถ้าเรายังมีความอยากหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เราก็จะต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆพอมาเกิดแล้วเราก็มาหาลาบยศสรรเสริญกันหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็ไปหาวิธีทุจริตกันบางคนโชคดีหาได้โดยไม่ต้องใช้วิธีทุจริต แล้วก็หาได้มากเกินกว่าที่จะใช้ได้ก็แบ่งให้กับคนอื่นก็ได้ทําบุญไปบางคนก็ทําบาปบางคนก็ทําบุญตายไปแล้วก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนเป็นดวงวิญญาณที่สุขหรือวิญญาณที่ทุกข์จนกว่าบุญหรือบาสนั้นหมดกําลังลงถึงถจะได้มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆแล้วก็ต้องอาจจะต้องมาทําบาปทํากรรมกันอีกคนฉลาดจึงเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นภัยของการมีความอยากหาลาบยศจระเสริญหารูปเสียงกลิ่นรส คนฉลาดคนแรกของโลกนี้คือใครก็คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี่เจ้าชายสิทธัตถะนี่เป็นลูกของกษัตริย์มีเสพมีรูปเสียงกลิ่นรสมีลาบยศสรรเสริญให้เสพตลอดเวลาแต่ก็ฉลาดที่ไปเห็นคนแก่คนเจ็บเห็นคนตายเข้าก็เลยเห็นอนาคตของตนว่าต่อให้มีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมากน้อยเพียงไรก็ตาม ต่อไปเวลาร่างกายมันแก่แล้วก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขได้ตอนนั้นก็จะต้องมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเหงา ว, ว้าเหวความซึมเศร้าแล้วถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายได้นั่นคื อ, อกำลังของความทุกข์มีใครอยากจะฆ่าตัวตายกันบ้าง ทุกคนไม่มีใครอยากฆ่าตัวตายเนี่ยถามคนที่นั่งอยู่ตอนนี้มีใครอยากจะฆ่าตัวตายกันเหมไม่มีหรอกจะมีก็ต่อเมื่อมันทนอยู่ไม่ได้เท่านั้นอนะ่จะจนเมื่อมันเจอความทุกข์แบบแสนสาหัสจนกระทั่ทงทําให้มันคิดหาทางออกไม่ได้มันถึงอยากคิดฆ่าตัวตายกันนั่นแหละคือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นอ กับผู้ที่มาเสพลาบยศสารเสริญเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสทุตถะะนะถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่บ้างเลยพอเวลาไปเจอความสูญเสียในลาบยศสารเส ร, ร, ส ร, ริญสูญเสียในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วทีนี้จะเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาอย่างแสนสาหัสจนถึงกับไม่อยากที่จะอยู่อีกต่อไป ถึงคิดค่าตัวตายกันนี่นี่คือความเห็นความฉลาดของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นว่าถ้าอยู่ในวังต่อไปเดี๋ยวพอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะถูกความทุกข์ทั้งหลายมาบุกทำลายจิตใจอย่างแน่นอนอย่างไรออกบวช ด, ดีกว่าออกไปหาอิสระภาพจากการที่จะต้องมา เจอกับความแก่ความเจ็บความตา ย, เ, ยเพราะได้เห็นนักบวชแล้วได้เรียนรู้ว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่รู้จักวิธีหรือกำลังศึกษาหาวิธีให้หลุดออกจากคลองทุกของการเกิดแก่เจ็บตายได้ให้หลุดออกจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้ก็เลยทรงสละราชสมบัติเนี่แหละคนฉลาดจะเห็นว่า ความสุขในโลกนี้คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความสุขเปล่ามันเป็นกับดักของความทุกข์เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าใครไปลองคุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดดูเดี๋ยวก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วก็ถูกลากขึ้นไปจากน้ําแล้วก็เข้าไปสู่หม้อแกงต่อไป คนที่เสพลาบยศสรรเสริญเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ในบ้านปลายของชีวิตนี้หรือบางทีไม่ถึงบ้านปลายก็มีเขาจะต้องเจอกับความทุกข์ที่ไม่สามารถเสพไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพพาได้ตอนนั้นก็จะคิดฆ่าตัวตายกัน สมัยนี้ต่างประเทศที่เสพราบยศเสริเสริญสุขกันนี้พอเข้าสู่วัยชราแล้วก็เจอโครคภัยไข้เจ็บโรคที่เลื้อรลังรักษาไม่หายอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขก็เลยคิดหาวิธีตายแบบสบายคือให้หมอฉีดยาตายให้หมอก็บอกฉีดไม่ได้ผิดกฎหมาย ก็เลยมีการผลักดันให้ทำกฎหมายใหม่ให้อนุญาตหมอให้ฉีดยาให้คนไข้าตายได้เนี่ยนี่หละนี่หรือคือความเจริญของโลกเจริญเพื่อที่จะฆ่าตัวตายกันนี่อันนี้ เป็นเรื่องของความหลงความโง่ของผู้ที่คิดว่าการเสพลาบยศสารเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นลดแล้วจะเป็นความสุขนั่นเองไม่รู้ว่าเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดพอไปฮุบเหยื่อเข้าแล้วทีนี้ก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเอาพอเสพลาบยศสรเสริญ ส, สุขไปเรื่อย พอวันใดวันหนึ่งไม่สามารถหาได้เสพได้วันนั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาบางคนสิ้นเนื้อปราดาตัวก็อยากจะฆ่าตัวตายกันล่ะไม่มีเงินทองไม่มีหน้ามีตามีเกียรติเหมือนเมื่อก่อนะเมื่อก่อนมีเงินทองไปไหนมีคนก้มหน้าก้มหลังให้เขาลบต้อนรับให้อยากจะเสื้ออะไรหามาหยิบมาให้รวดเร็วทันใจ พรไม่มีเงินทองไปไหนไม่มีใครเขาก้มหน้าก้มตาให้ไม่มีจะอยากได้สินค้าชิ้นนั้นชิ้นนี้เขาก็ไม่หยิบมาให้เมื่อเขาเห็นว่าไม่มีสตังค์จะจ่ายให้เขาเขาจะไปหยิบให้เราทําไมเนออั่นแหละเวลาเวลาการหาราบยศเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมันเกิดอุปสรรคขึ้นมามันจะมันก็จะสร้างความทุกข์อันอย่างมหาหันปะขึ้นมาในใจ จนไม่คิดอยากจะอยู่ต่อไปคิดอยากจะฆ่าตัวตายกันและนี่คือภัยของผู้ที่ไม่เห็นภัยในการเสพลาบยศสรรเสริญในการเสเพรูปเสียงกลิ่นรสถ้าพวกท่านคนใดคนหนึ่งยั ง, ลงหลงไหลกับการเสบพลาบยศสรรเสริญสุขอยู่ขอให้ระวังไม่ช้าก็แล้วจะต้องเจออุปสรรคอย่างแน่นอน ไม่อุปสรรคทางด้านเงินทองก็อุปสรรคทางด้านร่างกายร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการก่อนแก่ก็มีบางคนพิกลเป็นโรคพิการไปเํามาพึกข้างใดข้างหนึ่งไปบางคนแขนขาดขาขาดบางคนตาหนวกตาบอดหูหนวกเอยังไม่คาดฝันหรือบางคนก็รอให้แก่ก่อนนะถึงจะไปเจอโรค ต่างๆที่รักษาไม่ไม่ได้รักษาให้หายไม่ได้ต้องรักษาไปเรื่อยๆจนไปเจอโรคไตเขาก็ต้องไปล้างไตกันอยู่เรื่อยๆล้างไตล้างไปจนล้างไม่ไหวก็ต้องรอเปลี่ยนไตถ้าไม่มีไตเปลี่ยนก็ตายเมื่อเห็นสภาพของชีวิตในตอนนั้นแล้วก็ไม่มีความคิดที่อยากจะอยู่ต่อไปแต่ถ้าเรามา าหาพระรัตนตเนี่ยเราจะมียาที่จะต้านความทุกข์เหล่านี้หรือจะกําจัดความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับใจของเราได้เวลาเราไม่มีเงินทองเราจะไม่เดือดร้อนเพราะพระรัตนตัยนี้ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องมีต้องใช้เงินทองไปซื้อพระรัตนตรัไปซื้อยามาต้านความทุกข์ต่างๆหรือมากาจัดความทุกข์ต่างๆ ยาของพระรันตนตรัยนี้เราจะเอามาใช้กับเราได้ก็ต้องอาศัยการไปศึกษาและการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนที่เราได้ศึกษาเท่านั้นนพอเราได้ศึกษาว่าการที่จะมียามากําจัดเชื้อที่พาให้เรามาทุกข์กันพาให้เรามาเวียนว่ายกายเกิดกันนั้นต้องทําอย่างไรบ้างเราก็ทํากันไปะ ก็คือเราต้องรักษาศีลศีลดขึ้นไปแล้วก็มาฝึกจิตกันมาควบคุมความคิดมาหยุดความคิดหยุดความอยากกันนั่นเองพอเราควบคุมความคิดหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่คอยเกิดขึ้นในใจก็จะหยุดหายไปการควบคุมความคิดความอยากนี้มีแบ่งไว้เป็น2ระดับ ควบคุมแบบชั่วคราวกับควบคุมแบบถาวรเบื้องต้นเราก็อาดใช้วิธีแบบชั่วคราวก่อนเพราะมันง่ายกว่าวิธีแบบถาวรเหมือนรักษาโรคภัยไข้เจ็บเบื้องต้นหมอก็บอกเอายาไปกินก่อนก็แล้วกันยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดผ่าตัดมันยุ่งยากกว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็เอายากินไปก่อน พอต่อไปยาต้านไม่ไหวแล้วทีนี้ค่อยผ่าตัดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากของเรานี้ความอยากสามประการนี้คือกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเราก็ต้องไปอยู่จํำศีลกันเราต้องเลิกทำมาหากินห า, หาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญกัน แล้วไปอยู่แบบนักบวชกันเพื่อที่เราจะได้มารักษาใจของเราทำไมเวลาร่างกายไม่สบายเราลางานกันได้ไม่ทำงานกันได้ไปเข้าโรงพยาบาลได้แต่ทำไมเวลาเราไปรักษาใจเราทำไมจะลางานไม่ได้จะเลิกจะลาออกจากงานไม่ได้มันก็เหมือนกัน เมื่อถึงเวลาที่ต้องรักษาใจเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่ไปเพราะถ้าเรายังทำอยู่เราก็ไปรักษาใจไม่ได้เหมือนกับรู้ว่าเราต้องไปรักษาร่างกายแต่เรายังทำงานอยู่ยังหาเงินหาทองอยู่หาไปทำไมทำไปทำไมเมื่อรู้ว่าถ้าไม่รักษาให้ร่างกายหายเดี๋ยวร่างกายก็ต้องตายก็ต้องทิ้งงานทิ้งการทิ้งอะไรไปหมดเนี่ยทิ้งครอบครัวทิ้งใครไปหมด ท, ทั้งที่ไม่อยากจะทิ้งก็ต้องทิ้งเพราะต้องไปอยู่โรงพยาบาลอยู่กับหมอแล้วพวกเราที่อยากจะรักษาโรคใจก็เหมือนกันก็ต้องทิ้งหมดทิ้งครอบครัวทิ้งงานการทิ้งอะไรไปหมดแล้วไปอยู่กับหมอคือไปอยู่กับพระรัตนตรัยเนี่ยไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมคาสอนหรืออยู่กับพระอาลยสงสาวก เพื่อท่านที่เพื่อท่านจะได้มาช่วยรักษาโรคใจของเราเอาเอายาธรรมโอสถมาให้เรารับประทานกันพอเราได้รับยาธรรมโอสถมารับประทานเชื้อโรคที่มีอยู่ในใจของเราก็จะค่อยหมดไปตามลำดับจนหมดไปอย่างถาวรต่อไปเหมือนกับการไปรักษาโาครคภัยไข้เจ็บที่โรงพยาบาลหมอก็จะค่อยให้ยา สามเวลามาตรวจดูเช้าเย็ยนว่าเป็นยังไงอาการดีขึ้นไหมควรจะเพิ่มยาหรือควรจะลดยาอย่างไรหมอต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าเราไปรักษาโรคใจที่โรงพยาบาลของใจคือไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาวัดที่มีการปฏิบัติส ม, มถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานั่นแหละเป็นวัดที่เป็นเหมือนกับโรงพยาบาลของใจแล้วก็ต้องมี หมอมาคอยตรวจดูอาการอยู่เรื่อยๆมาสอบถามว่าเป็นยังไงโรค ก, กำเริบขึ้นมาหรือเปล่าหรือโรคลดน้อยลงไปจะได้บอกให้ใช้ยาชนิดไหนดีอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าอยากจะทำให้ใจายนี้หายจากโรคภัยค้าเจ็บคือความทุกข์ต่างๆหายจากการที่จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย หายจากการที่จะต้องมาเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ในตายพบอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลของใจไปอยู่ตามวัดที่มีการปฏิบัติวิปัสนาสมถะภาวนากันแล้วก็ต้องมีครูอาจารย์มีหมอที่เก่งโรงพยาบาลนี้เขายัางเลือกโรงพยาบาลกันทำไมเพราะเขาเชื่อฝีมือหมอไม่เท่ากัน หมอโรงพยาบาลนี้สู้หมออีกโรงพยาบาลหนึ่งไม่ได้เพราะฝีมือมันต่างกั น, นผลมันต่างกันคนไปรักษาโรงพยาบาลนี้หายน้อยกว่าคนที่ไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งคนมันก็ไปแหารักษาโรงพยาบาลที่มันหายมากกว่าอย่างใดการไปศึกษาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ต่างๆก็เหมือนกันถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่สอนแล้วไม่มี ก็ไม่มีใครสําเร็จเลยบางทีก็ไม่อยากจะไปเรียนอยากไปเรียน ä. กับอาจารย์ Western ที่สอนแล้วทำให้สําเร็จถ้าใครเขา้าอญญาจารย์ไหนมีชื่อเสียงโด่งดังว่าใครมาเรียนจากอาจารย์นี้แล้วสาเร็จหลุดพน้นได้วิมุตติกันเยอะอาจารย์นั้นก็จะมีคนแห่กันไปหากันเนอญญานายอะแต่อาจารย์ไหนไม่มีชื่อเสียงไปเรียนนั้งกี่ปีกี่คนก็ไม่มีใครหลุดพน้นไม่มีใครวิมุตติก็ไม่มีใครอยากจะไปกัน อ น, นี้คือเรื่องของการที่เราจะซื้อวิมุตติหรือได้วิมุตตินี่เราต้องเข้าเข้าไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของใจไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาวัดที่มีการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่มีชื่อมีเสียงหรือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถถึงแม้จะไม่มีชื่อมีเสียงแต่ขอให้รู้ว่ า, าสามารถรักษาโลกของใจให้หายได้ไปหาครูบาอาจารย์แบบนั้นไปหาหมอแบบนั้นแล้วเราจะได้วิมุตติต่อไปอนี่แหละคือเรื่องของคุณค่าของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลอย่างไร เอามานำมานำเามาฝากท่านในหวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะฮาปูราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกะปติอิชิต an ังปติตังตุมห um ังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะาราโสยถามณิโชติหราโสยถาสัพภิติโยวิวาจันโตสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีคายุโกภวา อาพิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลางต่อไปใครจะทำเสื้อแจกนี่ใส่คำพูดใหม่ คนโง่ฉลองวันเกิดคนฉลาดฉลองวันไม่เกิดช่วงนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่ขอตอบเพราะมีภารกิจอย่างอื่นต้องทำต่อไม่สะดวกสะดวกตอนนี้เพราะเวลาคุยธรรมะมันต้องสงบ เวลาคุยธรรมะเพราะคนนั้นคนนี้มาเอานูน่นเอานี่แล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่ององั้นถ้าอยากจะถามขอเชิญถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ Facebook 422ครับ YouTube 268ครับวิทยาออนไลน์26คนครับ พุทฟังบนเขาร้อยห้าสิบสาครับรวมทั้งหมดแปด้อยหเกครับอรอาจารย์ถ้ามีคำถามก็เริ่มถามได้เลยคำถามจากทาง Facebook ค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งเจ้าค่ะเด็กพิเศษเช่นสมาธิสัน้นสามารถบวชและบรรลุธรรมได้หรือไม่เจ้าค่ะ อย่าว่าแต่คนไม่คนสมาธิสัน้นเลยคนสมาธิไม่สั้นก็ยังไม่บรรลุกันเยอะแยะไปอย่างนี้มันต้องมาสร้างสติสร้างสมาธิให้ยาวสมาธิสั้นก็บรรลุทำไม่ได้แต่ถ้ามาสร้างสมาธิให้มันยาวให้มันเป็นสงบทั้งวันทั้งคืนได้มันก็บรรลุทำได้ การมาบวชมาปฏิบัติก็เพื่อมาสร้างสมาธิให้มันยาวให้มันสงบให้มันเป็นอุเบกขานา น, านๆแล้วมันจะได้มีใช้ใช้คิดในทางปัญญาต่อไปได้แล้วพอมีปัญญามันก็จะตร่งได้วางได้ดุจพ้นได้ ข้อที่สองค่ะการเลือกครูบาจารย์แล้วัดที่บวชจะทราบได้อย่างไรว่าวัดใดหรืออาจารย์ท่านใดจะส่งเคราะห์ให้บรรลุมรรคผลได้เจ้าคะก็ไปศึกษาก่อนสิไปสอดแนมก่อนไปดูวิธีการสอนการปฏิบัติการอยู่การกินของแต่ละวัดว่าเป็นอย่างไรคุยกับคนที่เขาไปอยู่ว่าถามเขาว่าดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรสมัยที่เราจะบวชเราโชคดีมีหนังสือ เป็นภาษาอังกฤษเป็นชาวต่างประเทศเขาไปสำรวจวัดปฏิบัติต่างๆทั้งสี่ภาคเขาจะบอกว่าวันนี้อาจารยร์สอนอย่างไรอาหารการกินการอยู่เป็นอย่างไรก็มีอ่านได้เขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า Guide to Monastery in Thailand ถ้าอยากจะค้นยังกิ o ต์ในอินเทอร์เนตก็ยังมีอยู่ Guide to Monastery in Thailand เขาจะบอกวัดสำคัญสำคัญในประเทศไทยครูบาอาจารย์สำคัญสคัญที่มีอยู่ในประเทศไทยที่คนรู้จักมากคุณที่เชื่อถือได้แล้วก็พอเราอ่านรายละเอียดแล้วเราก็ต้องไปดูเหมือนมหาวิทยาลัยที่เราจะเลือกเรียนจะเรียนขอนแก่นดีเรียนเชียงใหม่ดีเรียนสงขาดีก็ต้องตอนต้นอ่านก่อนว่าเป็นอย่างไรอ่านแล้วก็ไปดูที่ของจริงดูว่าเป็นอย่างไร ไปดูที่วิทยาเขตนั้นๆว่าเป็นอย่างไรแล้วทีนี้เมื่อชอบถูกใจอันไหนก็เอาวันนั้นแล้วไปตั้งใจเอนทานนะไม่ใช่ว่าเลือกแล้วเขาจะเลือกเรานะเลือกวันนี้แล้วไม่ใช่ว่าอาจารย์เขาจะเลือกเราเนะี่ยไม่ถึงอาจารย์บางทีเขาก็คัดเราออกเนะี่ย อย่างใบมันตาเนี่ยเราวันแรกไปเนไปขอสมัครเรียนท่านบอกอยู่ได้ชั่วขาวเรียนได้ชั่วข่าวเท่านั้นเองเอ้าวช่วขาวก็ดีกว่าไม่รับเลยวะ <c oughs> ก็เลยอยู่ไปชั่วคขาวก่อนอยู่ช่วขาวจนกระทั่งท่านไม่ได้ไม่ไล่ก็ถือว่าเป็นถาวรไป <c oughs> คำถามจากทางยูทูบนะคะจากคุณพัยทูลคำที่ว่ากินอาหารในครกห้าหมู่เป็นการกินแบบความคิดของกิเลสหรือเปล่าครับก็ทางโลกมันมีกิเลสผสมอยู่ด้วยเพราะว่าแล้วถ้าเกิดกินไม่ครบห้าหมู่จะทํำยังไงทางวะทางพระเราให้กินตามมีตามเกิด <c oughs> กินพอให้มันอยู่ได้ก็พอจะอยู่ครบห้าหมู่หรือไม่ก็ช่างหัวมันดีก็อดกินนี่ก็ไม่มีกิน งนมันต่างกันถ้าทางทางธรรมะแล้วไม่มีเลือกห้าหมูไม่มีเลือกอาหารเจอาหารไม่เจนะคนมาบวชนี้เลือกไม่ได้นะจะมาเลือกอาหารว่าโยมใส่อาหารครบห้าหมูปะโยมใส่อาหารมีเนื้อสัตว์มาหรือเปล่าอย่างนี้พูดไม่ได้ถามไม่ได้ขอไม่ได้นะนะถ้ามาทางธรรมแล้วต้องยินดีตามมีตามเกิดคือสันโดษมากน้อย ใจน้อยก็ต้องอพอใจแฮปปี้ไม่ใช่ว่าน้อยโอนโยมไม่พอกินเลยขอเพิ่มไป ส, สักสักสองทัพผีไม่ได้เลยยินขอไม่ได้นะเป็นพระแล้วพระเจ้าสอนให้มากน้อยสันโดษพะพอข อ, อนี้กิเลสมันยับออกมาแล้วพออยากได้อย่างนู้นอย่างนี้เป็นกิเลสไปแล้วอยากได้อาหารครบห้าหมู่ก็เป็นกิเลสและวนั้นต้องยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็กินไปพอให้ร่างกายมันอยู่ได้ก็พ อ, อ คำถามจากคุณไพฑูรย์ค่ะกระผมเคยได้ยินว่าเดนตายมาจึงได้รู้เห็นธรรมธรรมอยู่ฟากตายหมายถึงจะรู้ทําได้ต้องกล้าสละชีวิตสละตายกับปฏิปทาเครื่องพลทุกถูกต้องหรือไม่ครับใช่เพราะมันเป็นข้อสอบของเราเนเ่ยคือความตายความตายนี้ไม่ใช่เราตายหรอกความตายคือนั่งกายตาย แต่เรายังมีความหลงอยู่เราไปคิดว่าเราตายไปกับร่างกายเนี่ยเราต้องเอาความตายเหตุการณ์นี้มาแยกใจกับกายออกจากกันถ้าเราเชื่อว่าเราไม่ได้ตายกับร่างกายก็ปล่อยมันตายไปเ่ยเราไม่ตายก็จะเห็นธรรมเห็นว่าอ๋อร่างกายไม่เที่ยงแต่เราเที่ยงเราไม่ตายร่างกายตายหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่กลัวตายอีกต่อไป คำถามจากผู้เราฟังบนเขาเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งถ้าทุกเกิดเราจะดับทุกอย่างไรคะก็ไปดับที่เหตุเนเวลาไฟไหม้บ้านจะไปดับที่ไหนก็ดับที่ไฟไฟตัวเชื้อเอาดับที่เชื้อเอาเชื้อออกถ้ามีเชื้อก็หยุดเชื้อเหมอนเสียถ้าไฟไฟไหม้เตานี่เตาแก๊สนีน้ก็ไปปิดแก๊สเสียไฟก็ดับทุกของเราก็เกิดจากความอยากของเรา อยากให้แฟนอยู่กับเราเขาบอกเขาจะบายบายแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากให้เขาอยู่กับเราเขาอยากจะบายบายก็ปล่อยเขาบายบายไปเราก็อยู่ของเราไปเราก็ไม่ทุกข์กับการบายบายของเขาต้องมาหยุดที่ความอยากของเราคำถามข้อที่สองค่ะถ้าเราอยากละกิเลสเราต้องละอย่างไรเพื่อให้กิเลสน้อยลงเช้าคะก็ไม่ทาตามกิเลี่ย เวลาอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปไปอยู่วัดดีกว่าเวลาอยากจะไปดูหนังก็นั่งสมาธิดีกว่าเปลี่ยนวิธีอย่าไปทําตามกิเลสทำตามทาทําไม่เป็นกิเลสอยากนั่งสมาธิไม่เป็นกิเลสอยากนั่งดูหนังเป็นกิเลส คำถามจากทาง Facebook ค่ะจากคุณแมนกับเรียนถามหลวงพ่อเมื่อปฏิบัติแล้วสามารถรู้เห็นเรื่องของผู้อื่นได้แต่ไม่ใช่ปัจจุบันเป็นเรื่องอนาคตถ้าเราไม่เตือนเขาปล่อยวางอารมณ์นั้นไปจะเป็นบาปหรือไม่แล้วเพราะเหตุใดจึงเกิดความรู้แบบนั้นได้ทั้งที่ไม่เคยพบปะเป็นเพื่อนกันตอนนี้พยายามปล่อยวางแต่ความนึกคิดนั้นๆจะคอยมากวนเสมอครับ ก็จะไปรู้ว่าเกิดขึ้นหรือไม่มันยังเป็นอนาคตอยู่นอกจากเราได้พิสูจน์ว่าเออเห็นว่าพรุ่นี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างที่เราเห็น เ, เห็นทุกครั้งไป เ, เป็นถึงย้งมีความแน่นอนว่ า, เ, าเราเห็นจริงแต่เห็นก็เป็นเรื่องของเข า, เ, าเราก็จะไปบอกเขาได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขาฟังเราหรือไม่ฟัง ถ้าเขาฟังเราก็บอกเขาได้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอย่างไงขึ้นนะถ้าเขาฟังเราก็และก็ดีไปแต่ถ้าเขาไม่ฟังเราก็ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปบอกเขาไม่ใช่เรื่องของเรามันเรารู้ก็ทำเป็นลืมไปเสียอย่าไปสนใจกับมันให้รู้เรื่องของเราดีกว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราดีกว่ามันสำคัญกว่าเกิดเกิดขึ้นกับคนอื่นก็เกิดเกิดขึ้นกับเราอันไหนจะดีกว่ากัน พรุ่งนี้จะมีคนมาด่าเราพรุงนี้จะมีคนมาทวงหนี้เราพรุ่งนี้จะมีคนมาทวงหนี้คนอื่นรู้ว่าไหนดีกว่ากันรู้เรื่องของเราดีกว่าเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีถ้าแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ได้เตรียมรับด้วยใจที่เป็นกลางยอมรับกรรมไปคำถามจากคุณสุภกรค่ะ <c oughs> กลับไปถามพระอาจารย์ค่ะ คนที่จิตฟุ้งซ่านมากๆ ก, การทําสมาธิช่วยได้หรือไม่เจ้าคะสาธุค่ะคือการทําสมาธิก็เพื่อให้มันหยุดฟุ้งซ่านนั่นเองงั้นจะทําได้หรือไม่อยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่ที่ฟุ้งซ่านก็เพราะไม่มีสติเหมือนรถที่วิ่งไปชนเขาเพราะไม่มีเบรกไม่ได้เหยียบเบรกมันก็ชนกันเลยถ้าเหยียบเบรกมันก็ไม่ชนกันงั้นถ้าอยากจะไม่ฟุ้งซ่านก็ต้องฝึกสติก่อน พอมีสติจิตก็จะสงบหายฟุ้งซ่านก็เป็นสมาธิขึ้นมาอะนั้นการไปปฏิบัติสมาธิความจริงคือการไปปฏิบัติสติเพราะว่าสมาธินี่มันเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติของสตินี่เองต้องพุโทโธมีคำถามข้างหลังเลยฉะ <c oughs> นั้นถ้าฟุ้งซ่านก็ต้องใช้สติไม่ใช่ใช้สมาธิเพราะสมาธิเกิดจากสติ ต้องใช้สติแล้วจิตก็จะสงบหายฟุ้งซ่านเป็นสมาธิขึ้นมายัางต้อง ห, หัดเจริญสติต้องรู้จักวิธีเจริญสติคือการใช้กรรมฐานกรรมฐานก็คือพุโทโธพุโทโธไปพอฟุ้งซ่านก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดตามมันหรือพุโทโธเบื่อก็สวดอิติปิโสร้อยจบไป อิติปิโสภักวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตะโลโุริสัตมสารติสัตถาเทวามนุษยานังพุทโธปักวาติสวดไปร้อยจบรับรองได้พุ่งซ้านไหนเนี่ยหายไปหมดนะ คำถามจากผู้รับฟังบนข่าวค่ะหากเกิดอาการสงบภายในปิดวาจาในขณะที่ต้องดาเนินชีวิตอยู่ประจำวันทำไมถึงเกิดสภาวะทาเช่นนั้นและต้องปฏิบัติต่อไปอย่างใรดีเจ้าคะกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะเกิดอาการสงบแล้วให้ปฏิบัติยังไงไม่เข้าใจคำถามแต่ขออนุญาตอ่านอีกรอบเจ้าค่ะหากเกิดอาการสงบภายใน ปิดวาจาในขณะที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในประจำวันทำไมถึงต้องเกิดสภาวะธรรมเช่นนั้นและต้องปฏิบัติต่อไปอย่างใดดีเจ้าคะอ๋อมันสงบก็ปล่อยมันสงบไปก็ <c oughs> อยู่เฉยๆไปแต่ถ้าต้องทำงานก็ต้องดึงมันออกจากความสงบเช่นขับรถไปอยู่ดีๆมันสงบมันว่างเราปล่อยให้รถมันวิ่งไปเองก็ไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องดึงมันให้ออกกลับมาให้มันมาขับรถต่อใช้พุทโธดึงออกมาก็ได้ใช้สติดึงมันได้พอเราว่ามันสงบแต่เรายังขับรถอยู่เราก็ต้องมีสติอยู่กับการขับรถต่อไปแล้วไปอยู่กับความสงบเดี๋ยวเกิดรถจะต้องชนรถจะต้องหยุดแล้วไม่หยุดเดี๋ยวมันชนกันได้ เราควบคุมใจเราได้เวลามันสงบถ้าเราอยู่ในสภาพที่ปล่อยให้มันสงบไม่ได้เราก็ดึงมันออกจากความสงบเสียคําคำถามจากคุณไพทูลค่ะถ้าเราอยากมีความสุขจริงๆให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็ น, เ, ปนเพียงเครื่องมือที่เอาไว้ใช้เป็นทุนในการทำความสุขที่แท้จริงถูกต้องหรือไม่ครับเออเราก็ต้องไปทำไม่ใช่เห็นเฉยๆรู้เฉยๆ เห็นเฉยๆรู้เฉยๆจิตยังไม่สงบนตะ้องไปฝึกจิตฝึกสติให้จิตสงบด้วยการนั่งสมาธิต่อฝึกสติก่อนพุทโธก่อนพอมีพุทโธสามารถควบคุมความคิดได้แล้วก็ไปนั่งสมาธิต่อว่านั่งแล้วจิตก็จะสงบก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปอ คำถามจากผู้รับฟังบนเขาเจ้าค่ะผมบวชพระสิบห้าวันปลายปีสองพห้าหสิบเอ็ดในขณะที่บวชเป็นพระมีโยมถวายเงินแล้วเรานำเงินนั้นไปใช้ส่วนตัวหลังจากลาศิกขาเงินก็ยังเหลืออยู่บ้างเราจะบาปไหมครับหากบาปเราจะขอถวายคืนวัดก็ได้ใช้หรือไม่ครับก็เงินที่เขาถวายเราเป็นส่วนตัวก็เป็นของเรา เราไม่ได้เป็นพระมันก็ยังเป็นของเราอยู่ก็ได้แล้วแต่เราจะคิดถ้าเราคิดว่ามันเป็นส่วนของตอนที่เราเป็นพระพอเราไม่เป็นพระมันไม่ได้เป็นของเราก็ให้วัดเข้าไปเท่นั้นเองแต่ถ้าเราคิดว่ายังเป็นของเราอยู่ก็ไม่มีใครเข้าไปติดใจว่ามันเป็นเรื่องเงินที่เ้าถวายเราโดยตรงไม่ได้ถวายให้กับวัดถ้าถวายให้กับวัดก็ต้องมอบให้กับวัดไปเช่นาถวายบอกให้ช่วยซ่อมกุฏิให้ พาคุณสึกไปเงินนี้ก็ต้องเอาไปซ่อมกุติต่อไม่ใช่เอาไปใช้เรื่องอื่นเอาไปใช้กับเรื่องที่เราจะเอาไปใช้แต่ถ้าเขาบอกว่าดละแล้วแต่ท่านจะใช้ตามอัธยาศัยเขาไม่ได้วงเล็บ ว, ว่าเฉพาะตอนท่านเป็นพระเวลาท่านไม่เป็นพระนี้ใช้ไม่ได้เขาไม่ได้เขียนอย่างนั้นถ้าเขาไม่เขียนเขาไม่มีเงื่อนไขก็ถือว่าเป็นเรื่อง เรื่องความคิดของเราพิจารณาของเราก็ได้จะพิจารณาว่าไม่เป็นของเราก็ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นพระแล้วก็คืนมอบให้กับาศาสนาไปให้กับวัดไปถ้าคิดว่าเป็นของเราก็เอาไปใช้ได้ไม่มีเรื่องนี้ไม่มีใครเขาติดใจอะไรอย่างไรคำถามจากคุณจรร ญ, ญาค่ะ การอุทิศกุศลให้ผู้ตายต้องเป็นกุศลที่เกิดจากการทำทานหรือไม่ทำความดีทุกอย่างอุทิศให้ผู้ตายเพื่ออนุโมทนาได้หรือไม่เจ้าคะตามที่พระเจ้าสอนก็สอนด้วยวิธีทำทานอยากจะ อ, อุทิศบุญก็ให้ไปทำทานบุญชนิดอื่นท่านไม่ได้พูดว่าอุทิศอุทิศได้หรือไม่ได้ท่านไม่ได้พูดถึงท่านพูดแต่วิธีอุทิศด้วยการทาทานเพียงอย่างเดียวเห็น จะไปใช้วิธีอื่นนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านกันแล้วกันแล้วแต่คนที่จะจะใช้ก็แล้วกันอันนี้ก็ไม่อยากที่จะไปเปิดประเด็นให้มันยุ่งยากเอาง่ายๆดีกว่าเอาตามที่พระเจ้าสอนดีกว่ า, น, านะคิดถึงดวงวิญญาณผู้ตายอยากจะอุทิศบุญให้กับเขาก็ทําบุญทําทานไปอันนี้เวลาก็หมดพอดี